ในทัศนะของชาวโลกมนุษย์บุคคลที่ตายโดยปกติธรรมดาคือไม่ได้ตายโดยอุบัติเหตุรายหนึ่งกับอีกรายหนึ่งหรือรายอื่นๆก็คงไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนักเพราะความสามารถของตาเนื้อมีอยู่เพียงแคบๆเท่านั้นแต่ในทัศนะของเราชาวโลกทิพย์แล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งทีเดียว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 พี่ที่จะให้บุคคลผู้ดึงดันเหล่านั้นกลับใจได้เพราะฉะนั้นการเลือกบุคคลให้เหมาะกับงานจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยอย่างไรก็ตามชาวโลกทิพย์มีความอดทนเพียงพอเสมอมีอุบายนาน า, น า, นานประการและมีผู้ยินดีช่วยเหลือให้กิจการลุล่วงไปด้วยดีท่านผู้ใหญ่ที่ส่งเราให้ไปรับงานอย่างหนึ่งอย่างใด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 ท่านเจ้าหน้าที่ได้บอกแกเราด้วยว่าผมได้สังวนรายนี้ไว้ให้แก่คุณทั้งสองโดยเฉพาะเพราะคิดว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นอาจจะเป็นประโยชน์แก่คุณทั้งสองได้ต่อไปผมคิดว่าถ้าคุณทั้งสองนําไปไว้ที่บ้านเลยก็จะเป็นการดีทีเดียวข้าพเจ้ากับรูทตกลงโดยไม่ชักช้า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 การส่งข่าวถึงการและการในเรื่องนี้นั้นติดต่อกันด้วยใจเป็นสาทางด้วยกันคือ 1. ทางสำนักงานใหญ่ 2. ทางเทพเจ้าประจำตัวของบุคคลผู้กำลังจะถึงมรณกรรม 3. และทางผู้รับวิญ ญ, ญาณคือข้าพเจ้ากับรูธการส่งข่าวสารถึงการและกานโดยทางจิตดังกล่าวมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่ทางสำนัก ง, งานใหญ่จะส่งข่าวไปให้เทพประจำตัวของบุคคลซึ่งอยู่ในห้องมรณะกรรมนั้นทราบเสียก่อนว่าเราคือข้าพเจ้ากํารูดพร้อมแล้วที่จะเข้าทำหน้าที่รับวิญญาณของผู้ตายเทพประจำตัวของผู้มรณะกรรมก็จะส่งกระแสความคิดตอบมาซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้โดยปรากฏเป็นลาแสงผ่านว่าบมา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 เพื่อกล่อมหรือสะกดให้เขาได้หลับอย่างสงบสุขในขณะที่เราจะพาเขาออกเดินทางกลับบ้านของเราเพื่อเพิ่มพลังความสดชื่นให้แก่เด็กหนุม่มรูดกลุ่มมือของเขาไว้ตลอดเวลาที่เรานำเข้ามาและในพริบตาเราทั้งสองก็มาปรากฏกายที่บ้านอันผาสุขของเราอีกครั้งหนึ่ง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 คำสั่งของวันนี้คือเธอจะต้องพักเงียบเยียบอยู่ที่นี่และต้องไม่พูดมากจนเกินไปนักเด็กหนุ่มมองจ้องออกไปข้างนอกหน้าตา่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากใช่ไหมเข้าไเจ้าพูดขึ้นพร้อมทั้งชี้มือผ่านช่องหน้าต่างออกไปรู้สึกว่าน่าอยู่มากใช่ไหมถูกแล้วละอ้อเธอคงจะแปลกใจถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวขณะนี้ เธอมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างไหมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแต่ความเข้าใจอันเลือนรางแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวนี้เธอรู้สึกสบายดีแล้วและความเจ็บปวดทุกอย่างก็หายไปหมดแล้วใช่ไหมโรเยอร์พยักหน้าและยิ้มดูเหมือนว่าความรู้สึกเป็นไปอย่างที่ข้าพเจ้าพูดครับถูกแล้วขอบคุณ เห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มไม่ใช่คนประเภทตื่นเต้นง่ายจึงเป็นอันว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะปิดบังความจริงกันอีกสืบต่อไปข้าพเจ้าสบสายตากับรูทและเธอก็พยักหน้าเป็นการเห็นด้วยโรเยอร์ที่รักข้าพเจ้าเริ่มฉันมีข่าวดีบางอย่างจะบอกแก่เธอเธอจำได้อย่างถูกต้องทีเดียวเธอได้เห็นรูทกับฉันเมื่อครู่นี้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 สำหรับเสื้อผ้าของฉันนั้นก็คือว่าเสื้อผ้าที่ฉันกําลังสวมอยู่นี้ฉันเพียงแต่ลอกแบบเมื่อสมัยที่ฉันสวมอยู่ในโลกมนุษ่นั่นเองความจริงฉันมีเสื้อผ้าของโลกทิพย์โดยเฉพาะเหมือนกันแต่สมมติว่าฉันและรูทสวมเช่นนั้นเมื่อตอนที่มารับเธอในห้องของเธอนะ่ะเธออาจจะเห็นเราทั้งสองเป็นย ม, มทูตที่แลดูถ้มือนถึงน่ากลัวจะมากกว่า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 พวกเราทั้งหมดดำเนินชีวิตกันอย่างปกติธรรมดาเราทำงานกันตามใจชอบและตามความถนัดเราสนทนาปลาสายกันเหมือนกับคนที่มีสติดีทั้งหลายทำกันทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องดัดจริตใช้ถ้อยคำหรือสำนวนหรูหราจดเกินความจริงใจแต่อย่างใดเลยเราอาจจะพูดจา ก, กันอย่างสนุกสนานร่าเริงในบางครั้ง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 จากนั้นด้วยอำนาจของความผูกพันในทางใจที่มีต่อนกตัวนี้มันก็ได้ผ่านจากโลกมนุษย์มาสู่โลกนี้และได้รับความเอาใจใส่ระวางรักษาจากพวกเราในทรรนองเดียวกันกับที่เราได้เอาใจใส่มนุษย์อื่นๆเหมือนกันความผูกพันทางใจดังกล่าวนี้ได้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของมันอยู่ได้ตลอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ในตอนนี้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 ออกไปต้อนรับอาคันตุกะทั้งสองที่หน้าประตูท่านผู้ที่เป็นชาวคาลดีนมีชื่อว่าโอมามีร่างกายสูงสง่าผมดำสนิทตัดกับผิวสีขาวนวลทำให้ลายเห็นเด่นขึ้นอีกมากบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงที่สุดในภูมินี้และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นผู้ที่อารมณ์ขันคลื้นคลื้นอยู่เสมอ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 หรืออันที่จริงก็คือผมเป็นอะไรกันแน่ก็คุณเป็นคนแรกที่โรเยอร์เห็นในชุดเครื่องแต่งกายของโลกนี้นี่ครับแกก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเป็นงานใช่ไหมโรเยอร์จริงครับเด็กหนุ่มตอบผมรู้สึกงงงงอยู่สักหน่อยเสื้อผ้าของท่านผู้นี้ดูผิดกับของท่านมากทีเดียวที่ผิดกันไปก็เพราะท่านมองซินเยอ์ไม่ต้องการให้เธอตกอกตกใจไปเสียก่อนนะสี โอมาอธิบายให้โรเยเอทราบสำหรับฉันเธอก็ไม่ได้ตกใจกลัวไม่ใช่หรือในตอนนี้อย่าวิตกไปเลยพ่อหนุ่มฉันและเพื่อนของฉันไม่มีภัยอันตรายต่อใครดอกไม่เชื่อลองถามท่านมองซินเยอร์กับรูดดูก็ได้เธอคงจะนึกว่าฉันเป็นเทวดาลาซีก็ดีเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรก็ดูจะดีกว่าที่จะเห็นฉันเป็นผีปีศาจร้ายไป เชื่อไหมว่าในโลกมนุษย์ยังมีคนอีกไปน้อยที่เรียกฉันเป็นพูดผีปีศาจและก็เรียกรูทก็มองสินเยอเป็นตัวมารร้ายอะไรทํานองนั้นเธอลองพิจารณาดูให้ดีสิว่าพวกเรามีท่าทางสมกับที่จะเป็นพูดผีปีศาจร้ายได้ไหมแต่ฉันว่าท่านมองสินเยอนั่นแหละดูท่าจะโดนวิาพาก์วิจารณ์มากกว่าใครๆในที่นี้สักหน่อย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 โอมากล่าบเป็นเชิงล้อๆอย่างสนุกสนานผมเห็นจะต้องกราบเส็จทีขอนหันมาทางข้าพเจ้าช่วยบอกเพื่อนของผมในโลกมนุษย์ด้วยนะครับว่าผมยังคิดถึงเขาอยู่ว่าแล้วโอมาก็เอื้อมมือไปจับมือของโรเยอร์มากุมไว้ครู่หนึ่งแล้วก็ตกแก้มเด็กหนุ่มเบาๆพักผ่อนให้สบายเสก่อนนะหลานชายแล้วให้ท่านมองซินเยอร์กับรูท พาเที่ยวดูภูมิประเทศให้ทั่วทีเดียวบัดนี้โลกนี้ทั้งหมดเป็นของเธอแล้ว